พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่เจโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6ทธันวาคม 2,556 มีชื่อเรื่องว่าให้ขาดตกบกคล่องน้อยที่สุดหมดระยงโลกลานถ้ายังไม่หมดขน เอาเข้ามาหอดทะยังกนะ็ข้างบนว่างแล้วเนอะข้างบนว่างแล้วถ้ายังไม่หมดเอาเข้ามาหลวงพ่อยังจําได้อถ้าเห็นคนเยอะบางคนก็โอ้กลัวจะอดอยากอ่าอพอเห็นคนเยอะกลัวจะอดอดอยากกลัวจะอาหารไม่พอหลวงพ่อคิดอีกในมุมกลับหนึ่งว่า พวกคนเราครูบาอาจารย์พระเนนทั้งหลายาล้วนแล้วแต่สร้างบา ร, รมีมาแล้วไปนักสถานที่ดใดมนุษย์มาเห็นเทวดาก็จะเห็นโอ้อางานของหลวงปู่ของเราเนี่ยอาหารไม่เพียงพอาอาหารน้อยเดี๋ยวคนนั้นก็เอาเข้ามาอันนี้เข้ามาฮะนั่นแหละเทวดาท่านมองเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องอาหาร หลวงพ่อเองก็ไม่ได้หนักใจเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนก็ต่างมองอย่างที่พวกมาจากเชียงคานเออเห็นครูบาอาจารย์มาเยอะออพวกเราอะไรเราทําเป็นข้าวหลามได้นู่นออกมาจากเชียงคานข้าวหลามอย่างหลวงพ่อมาเมื่อวานนี่พอนั่งรถมาเห็นหมากพุทธามากถันเลยจอดเอาไปถวายพระ นี่แหละครูบาอาจารย์มาเห็นอะไรตามข้างทางถนนหนทางแล้วในถิ่นฐานบ้านของตัวเองเอามาเอามาถวายพระพวกพระพวกผักพวกอะไรพวกผลไม้ในถิ่นของเรามีอะไรแล้วกงแล้วก็ขนเข้ามานี่แหละนางวิสาขานะนางวิสาขาแต่งงานพอแต่งงานเสร็จแล้วก็ บริษัทบริวารของนางวิสาขาใครเคยจะจะปีอยู่ด้วยกับนางวิสาขาคนเยอะทีเดีทั้ทงปูนางวิสาขานี่โอ้คนขนาดนี้จะเอาเลี้ยงได้ยังไงไปไล่ครับเอาแบงเอาสักครึ่งหนึ่งก็พอแล้วนะนางวิสาขาที่เป็นลูกสะพ้ยบอกว่าปูไม่ต้องดอกปล่อยให้เขาไปเลยเปล่อยให้เขาไปเลย คนนั่นแหลจะเลี้ยงผลเองะนะเนี่ความคิดของนาวิสาขาแปลกนะลูกหลานฟังนะพล น, นั่นแหลจะเลี้ยงผลเองให้ค้าว่าคนเขานะ่ะเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองอดอยากเออไปเขาก็จะต้องทํามันขยันขึ้นเลี้ยงตัวตัวเองคะเนี่ลนั่นแลจะเลี้ยงผลเองคือผลทหารหรือว่าผลผลรัเมืองถ้าเราไปอยู่ในสถานที่อดอยากเราก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงตัวเอง นี่แหละอันนี้ก็อหลวงพ่อก็มั่นใจว่าลูกหลานทั้งหลายาที่มาอยู่งานองหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อก็มองดูเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มองอถ้าอาหาราย่อมเยาวบอกมานะลูกหลานนะเอหลวงพ่อไปนักสัตานที่ใดขอว่าให้อดให้ยากเาให้มาล้อมแหลมอาหารไม่พออยู่พอกินให้บอกมาอหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะอ่ะอือ แล้วก็งานของพวกเราในวันนี้นะหลวงพ่อเองเอพอเสร็จงานพอวันที่ห้ามกราอันวันที่หธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ได้พบกับคณะทศไทาญาติโยมในวัดอตอนเย็นวันที่สี่คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลภายในวัด พอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ได้มาเมื่อวานนี่ยนะพอตอนบ่ายก็บอจะว่าวันนี้เราจะมีการประชุมทางส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการและกับคณะผาส์พระสังคาธิการเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าอาวาสต่างๆก็คงจะมาร่วมประชุมกันในวันนี้เพื่อหารือในการจัดงาน ขององหลวงปู่ของเราหลวงปู่จามของเราว่าเราจะเดินงานอย่างไรอันดับแรกกับพวกเราในท้องถิ่นนี่แหละจะต้องดูแลกันแต่หลวงพ่อเองก็ได้บอกจะเสนอในที่ประชุมในวันนี้ก็คือเรื่องที่พวกเราเหลือวิสัยที่มันหนักก็คงจะเป็นเรื่องน้ําหลวงน้ําก็คงจะเราก็ได้พูดกันไว้แล้วล่ะ พวกทาหารพัดหน่วยพัฒนาเขาจะมากั้นน้ำห้วยทรายขึ้นมาให้ได้ใช้จากนั้นก็จะสูบน้าขึ้นมาแล้วก็จะใส่คอรีนก็จะใส่สารส้มโคไปแล้วก็จะสุกน้ำมาใช้ในงานของเราเราก็ด้เตรียมพร้อมไว้แล้วลแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังนาพึ่งเสร็จใหม่พวกทํานาพึ่งเสร็จใหม่คงจะเอาแมคโนแท็กเตอร์ลงไป คงจะไปทาที่จุดนั้นแล้วก็คงจะได้ช่วยกันเรื่องน้ำเป็นหัวใจหลักถ้าหากว่าน้ำขาดน้ำงานใหญ่ขนาดนี้ขาดน้ำน้ำไม่เพียงพอน้ำไม่พอใช้นั่นแหละปัญหาใหญ่หลวงละทีนี้เรื่องไฟยังเป็นที่สองนะเรื่องน้ำเเป็นที่หนึ่งเรื่องไฟแนละมีไฟสำรองไฟ อ, อ, อะไรพวกเราก็คงจะเตรียมไว้เต็มที่เหมือนกัน เรื่องไฟก็ไม่หนักหนาเพราะว่าเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องเครื่องทําไฟพวกเราก็คงจะเตรียมพร้อมเพราะงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่พระงานรับเสด็จงานรับเสด็จทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าจะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็อันดับที่2กับเรื่องที่จอดรถนะที่หลวงพ่อมองมอ ง, มองดูเรื่องใหญ่เพราะคนใครมาก็ต้องมีรถวัดรถเกง๋งรถ ส่วนตัวถ้าที่จอดรถแคบเนี่ยปัญหาจะต้องตามมาแน่นอนเพราะนั้นเรื่อง เ, อเรื่องที่จอดรถเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตกงาน เ, าเพราะนั้นจุดนี้แหละเราจะหาแท็กเตอร์เราจะหาแท็กเตอร์เราจะหารถไถ ท, ที่ไหนแล้วก็ให้ช่วยๆกันมองดูนะลูกหลานนะแล้วก็พร้อมกันพวกเราก็คงจะขอส่วนรัชการเนี่ยแหละคงจะช่วยๆกัน เรื่องและก็ขอให้พี่น้องลูกหลานชาวบ้านท้องถิ่นของเราเนี่ยแหละให้ช่วยช่วยกันดูว่าตรงไหนที่จะเป็นที่จอดรถให้ช่วยกันคิดนะเรื่องจอดรถเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยหลวงพ่อมองดูแล้วงานนี้คืองานน้ำกับงานเรื่องจอดรถเป็น เ, นเรื่องใหญ่สำหรับงานของหลวงปู่เราเพราะนั้นเรื่องที่จอดรถท้อ ง, องนาไหนที่มันเป็นเนินที่ที่เป็นเป็นเนินที่มันแห้ง แล้วก็พวกเราควรจะช่วยๆกันคิดว่าจะเอาลงไปตรงไหนแล้็รถลำเลียงที่รับผลขึ้นมานะเน่ะเราจะารับยังไงในเมื่อเราทำเป็นที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้พวกเราคิดทำคันนาแทนเขานะจุดนี้เราก็ต้องไปพูดกับเจ้าของคันนาให้เรียบร้อยบอกว่า <c oughs> เมื่อเสร็จนาเมื่อเสร็จ ที่จอดรถแล้วพวกเราก็จะหารถไถมาปรับคันนาให้อยู่ในสภาพตรงเราต้องรับปากเขาอย่างนั้นแต่ผู้ที่จะไปทำนันก็ต้องดูซะก่อนไอ้ตรงไหนที่เป็นคันนาที่มันจะพังที่เราจะต้องใช้อะไรมากบางทีไปไถดัที่เนิ น, น, น, น, นสูงๆของเขาเนะี่ยที่ทำยากๆอันนั้นก็เป็นที่น่าคิดเหมือนกันนะพวกที่ไม่เคยทำนานนะ่ะ แต่หลวงพ่อหลับตาดูหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าจุดไหนหควรจะเป็นที่จอดรถได้เดินไม่กระเทือนต่อชาวนาของเขาในเมื่อเสร็จงานจอดรถแล้วก็เราพวกเราก่อนรีบปิดให้เขาเลยเอารถไทมาปรับปรับปรับหลวงพ่อคิดว่าไม่ยากนะแต่ทียังไงกระทาความเข้าใจกับพวกนาเจ้าของนาของเขาที่เราจะเอารถลงไปจอดและก็พร้อมกันที่เนินไหน ที่เราจะขอจอดได้อันนั้นเราควรจะหารถเกรดมาเกรดมาปรับทาอะไรให้ดีแต่ส่วนพระเนนลูกหลานคอยช่วยๆกันหลวงพ่อเองอยากจะให้หาพวกฟางได้ยินว่ารถของเราก็มีอยู่ที่มาช่วยงานก็ขอให้พระเนรลูกหลานชาวบ้านเอาคูบาเนะะ่ะเป็นหัวหน้าไปขอฟางจาก น้องที่เขามาได้ใช้ตามท้องนาแล้วก็ขนขึ้นรถมามากองกองกองกองไว้ทนนี่เราจะได้ใช้เยอะเพราะเหตุไยเพราะอย่างโรงทานต่างๆโรงทานต่างๆที่เรากางเต็นท์ไว้แล้วก็มีตะแครและก็ควควรจะมีฟางปูสําหรับนั่งทําอาหารหรือ ว, ว่าคนที่มานั่งในโรงทานนี่แหละบางทีอาจจะได้นอนในที่นั่นด้วย และก็เต็นต์ต่างๆพวกเราก็จะได้ปูปใูในท้องของเต็นต์ด้วยถ้าเราไม่ได้ปูฟางเนี่ยเราเดินย่ําไปย่ํามาฝุ่นมันก็จะคุ้งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเรื่องฟางเรื่องเฟืองเรื่องฟางเนี่ยจำเป็นสําคัญอย่างมากในงานของหลวงปู่ในคราวนี้ขอฝากไว้กับพระเนรลูกหลานตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะ เรื่องฟังใครเห็นที่ไหนใครอยากจะได้บุญนะเข้าม า, เ, าเพื่อปูปูปู ป, ป, ปูพื้นที่แต่จะเพิ่งปูนะขณะนี้หลวงพ่อทราบว่านะหลวงพ่อทราบจากพระที่เคยงานมาแล้วท่านบอกว่าอย่าเพิ่งปูนะหลวงพ่อเนะถ้าได้มาแล้วให้กองไว้ก่อนอใกล้ๆวั น, นค่อยปูทีเดียวถ้าหาวันเราไปปูก่อนเนี่ยมันความชื้นมันขึ้นมาและบางทีมีฝนตก พอฝนตกนั่นแนหะตัวไรนะตัวไรตัวหมัดตัวเมนมันอยู่ที่นั่นโอ้โหเกิดเลี้วมากเลยหลวงพ่อถ้าคนเข้าไปนิ่งอยู่ไม่ได้เลยที น, นี้จะต้องได้ฉีดยาปรับปราบพวกนั้นอีกนะมันเราก็ไม่อยากจะให้ปราบใช่ไหมละ่ะไปฉีดยาฆ่ า, มาแมลงได้ยังไงบาปกรรมอีกตั้งหากถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้คนนั่งไม่ได้นะมันตัวไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะหลวงพ่อนะสิ่งเหล่านี้ให้ฟังเอาไว้นะผู้ท่านเคยผู้ท่าน เคยมีประสบะการณ์มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพึ่งไ ป, ไปใช้เก็บไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันมีพวกตัวเลนตัวไลตัวหมัดที่มันจะเกิดเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรื่องความจําเป็นที่จะต้องได้ใช้เฟืองฟางนั้นพวกเราต้องการมากในช่วงนี้หลวงพ่อไปนสถานที่ใดหลวงพ่อก็บอกนะเห็นพระเนน อ, อย่างอย่างไปเมื่อกี้นึ่ไปอำเภอพิษภัย อำเภอรประทายเขามีการสวดมนต์ฉลองเจดีมีพระเกือบร้อยส0งองค์หลวงพ่อเอาน้องนุงทางหลายเนะ้อทาใครมีฟางที่ไหนถ้าอยู่ในละแวกใ ก, ใกล้แถว101ร้อยเอ็ดกาลสินแถบนั้นเนีถ้าหาว่าผู้ใดวัดใดอยู่ใกล้แถบนั้นก็ขอเอาฟางเข้าไปให้วัดหลวงปู่จามเลยเนะ้อลูกหลานน้องนุ ง, นงทางหลายเนะ้อนี่หลวงพ่อเขาพูดแล้วหลวงพ่อไปงานหลวงปู่บุญมีปริปุญโน บ้านนาคูนอำเภอบ้านผือหลวงพ่อก็บอกจุดนั้นอีกเออน้องนุงทั้งหลายถ้าใครอยู่แถบมุกดาหารแถบนั้นบอกต่อๆกันด้วยนะเนอะเรื่องฟงังหลวงพ่อต้องการนะแล้วก็เต็นท์อีกส่วนนึงแล้วก็ขอให้ลูกหลานทั้งหลายไปช่วยงานหลวงพ่อในนามของลูกหลานของหลวงปู่หลานของหลวงปู่แล้วก็เป็นญาติธรรมหลวงพ่อขอบอกนะถ้าพระเนรองคไหนครูบาอาจารย์ท่านใดไม่ได้รับนิมนต์ ไม่มีรับไม่ได้รับดีกาหลวงพ่อเองเป็นผู้นี่หมดแล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยหลวงปู่จามท่านจุดตินิรพายนะวัดมรณาภาพเพียงครั้งเดียวเท่านี้แหละท่านไม่ได้มาท่านไม่ได้ปีในชาตินี้ท่านมีครั้งเดียวเพราะนั้นใครจะมาก็มาเนอลูกหลานเนอะแล้วกัพี่น้องประชาชนศรัธทธาญาติโยมก็เหมือนกันถ้าผู้ใดพอไปได้จะไปในงานศพหลวงปู่ก็เชิญเนอะ หลวงพ่อเองเชิญเชิญกับคณะจัตฐาน า, าโยมลูกหลานทุกคนมาร่วมงานมากน้อยกับจุดแท้แต่ใครจะมาได้นะมาด้วยมาร่วมกันทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่หลวงพ่อมั่นใจว่างานนี้ใหญ่พอสมควรแต่จะให้เหมือนงานหลวงตาไหมก็คงจะไม่ไม่เหมือนแต่หลวงพ่อกะล่าวไว้หนึ่งในสหรือหนึ่งในสของหลวงตาของหลวงตาเนี่ยประมาณคนประมาณ หล้านนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะแต่ขนาดของหลวงปู่ของเราเนี่ยหนึ่งในสหรือหนึ่งในสี่อของงานของหลวงปู่ของเรานี่หละวันที่หนะ่วันที่ห้าและวันที่6นะ่พวกเราจะรู้ได้ว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่ามันถ้ามันม า, มาน้อยน ะ, อะพอมาถึงวันที่ห้าที่ ห, หแล้วคนมาไม่ถึงหมื่นโอ้ยหลวงพ่ออินขี้คุยยังคอยว่ากันนะ แต่หลวงพ่อมั่นใจแหละแต่ในหลวงพ่อเนี่ยว่าคนมาจะมาเป็นแสนนะแต่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อคนจะมาในงานนี้เท่าไหร่หลวงพอ่อเลยพูดแบบถ่อมตนเอาไว้ว่าห้าถึงหกหมืนนะ่นเนาะนี่แหละหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะประมาณห้าถึงหกหมืนนะ่นเนาะแต่ในใจของหลวงพ่อเน่ะคนจะมาเป็นแสนเดี๋ยวเนี้แล้วก็พระสงฆนะ์น่ะพระสงฆ์จะมาเท่าไหร่หลวงพอ่อหลวงพ่อเออสามถึงหนะ้าพันเนาะ แต่หลวงพ่อในใจหลวงพ่อเนี่ยพระสงฆ์ไม่ต่ากว่าหกพันฮะหลวงพ่อคิดถึงขนาดนั้นแหละเพราะฉนั้นขอให้พวกเราเป็นเจ้าภาพนะให้แข็งขันเอาไว้ควรทําให้ตึงๆเอาไว้อันไหนควรจะมองอันไหนที่จะเกิดประโยชน์นะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ําห้องน้ำห้องถ่านเนี่ยปัญหาหนักจดถึงเหมือนกันที่น้ําเราจะมาใช้ในห้องน้ําอีกส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองก็ได้พยายามติดต่อประสานไปทาง จังหวัดใหญ่ๆที่เขามีห้องน้ําเป็นห้องสุ ข, ขาของจังหวัดนะหลวงพ่อก็ได้ประสานไปหลายๆแห่งอยู่อยากจะเอาไม้เป็นสําหรับพระสงฆ์เอาไว้เป็นสําหรับพระสงฆ์ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผู้เท่าออกจากปรามานีบางทีขี่ขี่ราดเกี่ยวราดน่ยน่าจะขึ้นไปใช้ในห้องน้ํำชั่วคราวหรือช่องห้องน้ํารถเนี่ยควรจะจอดเป็นระย ะ, ะยะอยากน้อยมีัก ห้คันก็ยังดีฮะเนี่ยเราหลวงพ่อก็คิดถึงขนาดนั้นนะลูกหลานนะหลวงพ่อไปทนะี่สถานที่ใดหลวงพ่อก็ไม่ได้เน่งดูได้สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ในงานของหลวงปู่ของเราหลวงพ่อเขาพยายามบอกกล่าวแนะนําหรือว่าขอร้องหรือว่าขอความช่วยเหลือจากชุมชนหรือสังคมสังคมที่ที่จะมาช่วยเหลือได้นะเพราะงานนี้เป็นงานที่ใหญ่พอสมควร เราพยายามพยายามทำให้ดีที่สุดขาดตกบกพร่องน้อยที่สุดนะแต่ว่างานขนาดนี้แล้วไม่มีใครที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตเราก็คิดไว้ในใจอย่างนั้นอยู่เสมอแต่ถึงยังไงเราก็คิดในใจว่าเราจะพยายามให้ขาดตกบกพร่องน้อยที่สุดเพราะว่าเราจะช่วยกันส่งเสริมบา ร, รมีบุญ องค์หลวงปู่ของเราที่ท่านเมตตาต่อพี่น้องประชาชนทุกหมูเ่เหล่าเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้ช่วยพวกเราท่านทั้งหลายแต่บัดนี้เมื่อท่านจากไปแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของท่านท่านจะได้พวกเราจะได้ถวายงานพระราชทานเพลิงศรีระขององค์หลวงปู่ของเราเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่าพวกลูกหลานทั้งหลาย พวกเราท่านทั้งหลายทั้งคณะสงฆ์ทั้งคณะสต า, า ญ, ญาณโยมให้ความรักเคารพในองค์หลวงปู่อย่างแท้จริงะพวกเราหลวงพ่อเองอยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นจิงไหนที่ขาดตกปกพ่องพยายามพวกเราก็ควรช่วยกันคิดช่วยกันดูแลนหลูกหลานนทั้งชาวบ้านของเราเป็นกาลังหลักนะชาวบ้านของเราเป็นกาลังหลักชีจ้จุดสถานที่ว่า ตรงไหนเป็นที่จอดรถตรงไหนเป็นที่ระบายผู้คนเข้ามาในงานในสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าเจ้าของถิ่เจ้าของบ้านแต่ก็วันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้บอกกับสมพานเหมือนกันนะบอกว่าเออสมพานเลยบินทบาทของเราเนี่ยพระตั้งหกหสบเนี่ยเดินตามหลังกันไปนไอ้องค์ที่ใส่ไปก่อนก็ใช่เขาก็ใส่ให้ แต่องค์ที่เดินตามหลังเนี่ยข้าวในกล่องในติบมันก็หมดเหมือนกันนะเพราะท่านควรจะแบ่งเป็นสองสายหรือสามสายก็คิ ด, ค, ดคิดกันเนะ้อวันพุ่งนี้เน้อนี่แหละสมพานก็บอกว่าจะวันพุ่งนี้จะแบ่งเป็นสองหรสามสายในการบินทบาทในหมู่บ้านของเราถ้าหากว่าเราเดินตามหลังกันพระั้งห6ากบองค์เนี่ยองค์จุดท้ายก็คงไม่มีมีแต่เดินตามหลังไปเฉย แต่ถึงอย่างไรก็ต้องบินทบาทนะต้องบินทบาทได้หรือไม่ได้อีกส่วนหนึ่งได้ไม่ได้ก็อีกอย่างเก่านี่แหละมาที่วัดของเราแต่ถ้าไม่ได้และไม่บินทบบาท น, นั่นไม่ถูกต้องเพราะนั้นต้องเดินคือหน้าที่ของเราเที่ยวบินทบบาทหนึ่งนุ่งห่มผ้าบังสกุลหนึ่งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่าหนึ่งอันนี้ว่ากิจที่ควรทําของพระสงฆ์ถ้ายังฉันอยู่ก็ต้องบินทบาทนะ ถ้าขี้เกียจบิณทบาตน่ะไม่ใช่แนวปฏิปัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยถ้าฉันอยู่ต้องบินทบาทเนียหลวงพ่อได้ยินจากหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยนะขนาดท่านป่วยเนี่ยท่านจะไปบินทบาทไม่ได้เคยขาดเลยอถ้าหากว่าท่านไปไม่ได้จริงจริงท่านก็ไปถึงไปถึงประตูวัด ผลก็มาใส่ที่ประตูวัดผ อ, อในสุดท่านไปไม่ได้จริงจริงท่านก็เดินลงไปศาลาเขาก็มาใส่ที่หน้าศาลาแสดงว่าท่านให้ความเคารพในทุตองเขาวัดจริงๆริหลวงปู่ล่าท่านท่านท่านพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายนะอยากขี้เกียจ บ, บินทบาทถ้าขี้เกียจ บ, บินทบาทแล้วไม่ใช่น่าไม่ใช่เรื่องของแนวแถวของหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มันน่นนี่ท่าน ท่านท่าฉันดูต้องบินท่าบาทเอออย่างหลวงปู่จามของพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันนะท่านก็บินทบาทนะคณะท่านเดินไม่ได้ต้งใส่รถเข็นเข้าไปในบ้านบินทบาทเออยังเป็นที่ประทับใจของลูกของหลานนานเท่านานอะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังนานทีจะได้มาพบมาเจอกันนั่นลูกหลานนะแล้วก็พร้อมกันเนี่ยแหละงานของเราคืออะไร อย่างที่หลวงพ่อไน้พูดงานหลักก็คือเรื่องน้ำงานที่สองก็คือที่จอดรถงานที่สามคือห้องน้ำห้องส้วม ง, งานที่สีก็คือเรื่องเดินสายไฟที่ห้าก็โรงทานโรงทานที่หกก็ประล้ำที่พักของพระสงฆ์มีมากนะลูกลานนะจะต้องช่วยกันงานที่ไม่ใช่งานธรรมดาเนะงานช้างเกินช้างไปอีก อ อ, อาจจะเป็นงานเทวดาซึ่งอันพระอินทร์พระพมพวกนะั้นไม่ใช่งานช้างธรรมดานะาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร